มีอะไรหลงพ่อลมตาจะบอกให้พวกเราคณะสัตถาจะโยมลูกหลานได้รับรู้รับทราบมาคราวหนึ่งหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งเพื่อจะให้ลูกหลานเป็นแนวความความคิดเพื่อสติปัญญาของลูกหลานประเือสติปัญญาของลูกหลานให้ได้คิด เรื่องนี้บงังศึกษาเรื่องนั้นบงังเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากแ4ดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ุกแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านใดจะหยิบยกเอามาสาธกขึ้นมาแสดงให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเพะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็องคหนึง่งที่จะได้หยิบยกในเรื่องนั้นๆมา ก่อนอื่นหลวงพ่อจะเล่าบอกกล่าวว่าหลวงพ่อลงมากรุงเทพเขานี่มา ท, ทําธุระหลายอย่างนะรวกลูกหลานเนี่ยมาอยู่หลายวันทีเดียวคราวนี้อันดับแรกลงมาตั้งแต่วันที่ห้ามาที่พักอยู่ที่จังหวัดลบบุรีวัดพักวัดยาณสัมปันโนวัดวิชุดพระธรรวิชุที่มงคล วัดของท่านจาย์สมชายที่เป็นทุกขิตรโกงหลงตาก็แสดงธรรมที่นั่นเพราะเห็นจัดตาญายาิยูมามากในคืนนั้นพอพรุ่งนี้เช้าก็ไปฉั น, นอยู่ที่โรงพยาบาลอานานทามหิดลโรงพยาบาลทาหารจังหวัดลบบุรีก็พอฉันสวดมนต์สันชเช้าเสร็จก็นิมนต์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรม ไอ้พวกกลุ่งแพทย์พยาบาลทาหารจานั้นเลยลงมาพักอยู่สวนแสงธรรมแต่าตามไม่จริงก็อยากจะกลับขึ้นไปวัดนะพอกลับลงมาคงจะเหนื่อยเกินไปมากนะก็เลยมาพักที่สวนแสงธรรมมาฉันอยู่สองวันอย่างที่พวกลูกหลานได้เห็นแต่เมื่อวานนี้ยหลวงพ่าก็ออกไปข้างนอกแล้ไปฉันอยู่นะพอเมื่อเช้านี่ก่ มีการเซ็นสัญญาเรื่องโรงเรียนที่บ้านของคุณสมบัติคุณสมบัติเฉลมิมวุตินันท์ที่ถวายเจตุปัจจัยสร้างเจดีย์ของหลวงตาน่ยนั่นก็จะสร้างอาคารเรียนอีกแปดห้องเรียนสองชั้นชั้นละสีห้องเรียนแต่ค่าก่าาอสร้างก่ที่เซ็นสัญญากันเมื่อเช้าเนี่ยกัน สี่ล้านสี่ล้านกแสนห้าหมืเซ็นสัญญากันนะคงจะลงมือในเร็ววันไม่กี่เดือนก็คงจะเสร็จเพราะโรงเรียนอำเภอนามโสมโรงเรียนบ้านหัวช้างนะนักเรียนหลายร้อยคนยแต่โรงเรียนเก่าแก่สร้างมาทั้งสามมาทั้งสี่ห้าสิบปีเป็นอาคารไม้ ขึ้นไปใช้ข้างบนมาัวมันจะไม้จะหล่นทับหัวเด็กแต่ก็ใช้แต่สอนแต่ชั้นล่างแต่นี้มันก็เขาก็เลยมาขอลวงอาคารจากหลวงพ่อหลวงพ่อก็อ เ, เห็นว่าคุณสมบัติกับคณะเนี่ยคณสมบัติคงจะมีศักยกภาพเป็นไปได้หลวงพ่อก็ได้พูดมาเขาก็รับเมื่อเช้าก็ได้ไปเซ็นสัญญากัน หลวงพ่อลงมาค่าวในวัดทํามาประโยชน์ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจริงๆนะคณะท า, า ญ, ญาทโยมลูกหลานแต่วันนี้ก็กลับมาก็เห็นว่าว่างและก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้บอกให้คณะท า, า ญ, ญาิโยมลูกหลานมาร่วมกันทําวัดสวดมนต์เย็นแต่ก็เห็นพี่น้องประชาชนก็มา ก, กพอสมควร แต่ทีนี้งไงศรัทธาญาติวงศคงจะหนักหนามั่งวันนี้พ่อว่าเป็นลูกหลานวันเด็กนะคงจะใส่ใจในลูกในหลานของพวกเราแล้วก็วันพ่งนี้ก็รับบิณฑบาตฉันที่นี่ตอนเช้าพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนเย็นหลวงพ่อจะไดไ้ไปที่วัดธรรมมงคลไปแสดงธรรมอยู่ที่วัดธรรมมงคล อายุหลวงปู่วิทยยางจเจ้าอาวาสซอยร้อยหนึ่งวัดอุรุมวัดธรรมมงคลซอยร้อยหนึ่งท่านอายุ96ปี 128-96 ก้หลวงพออ่อได้จะไปแสดงธรรมที่นั่นพอแสดงธรรมเสร็จแล้วก็คงกลับมาพักที่สวนแสงธรรมและก็พรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้น หลวงพ่อก็คงจะไปฉานที่จิตโภชนาปาร์กเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะได้กลับปุรนในวัดที่11บเถ้าไปถ้าเป็นตามเป้าหมายตามความตั้งที่ตั้งใจเอาไว้เพราะนั้นหลวงพ่อลงมาคราวนี้หลายวันนะลูกหลานนะแต่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราได้ทราบได้มาแล้วก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะแล้ววันนี้เป็นวันที่9มกราคมพุทธศักราช2559วันนี้ปีใหม่มาก็เนี่ยได้9วันเป็นปีใหม่มาได้9วัน ว, วันนี้เป็นวันที่9 แล้วก็จท่าญาติโยมได้มาร่วมมารวมกันเพื่อเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นปีใหม่ยังเป็นปีใหม่อยู่นะการจต่าญาติโยมวันนี้เป็นวันพระเมื่อวานเนี่ยเป็นวันพระนะเป็นวันพระใหญ่เดือนหนึ่งดับแต่ตามไม่จริง อุโบสถอุโบสถของพระนะวันนี้นะวันนี้เป็นวันอุโบสถของพระพวกเราก็ได้ลงโบสถกันเพราะว่าเป็นวันอุโบสถแต่ตามไม่จริงในปักคารดาของธรรมยุทธ์ฝ่ายธรรมยุทธนะวันนี้นะเป็นวันเดือนดับจริงๆว่างั้นนะรัชกาลที่สีท่านคำนวณด้วยตัวตัวเลขของท่านนะดัง คำมโดยดาราศาสตร์แต่ถวาวันนี้เป็นวันเกือนดับผลันพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์จะลงอุโบสถวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันพระที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งคณะทศไทยญาติายโยมมาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์แต่หลวงพ่อเองก็เคยบอกกล่าว ที่อยู่ทางวัดอลวงพ่อว่าแต่ตามไม่จริงปีใหม่มันก็วันคืนเดือนปีมันก็ผ่านมาผ่านไปแต่มันก็เหมือนเก่านั่นแหละเนี่ยแต่เราเป็นคนสมมุติให้ว่าเป็นวันปีใหม่ก็ตื่นเต้นกันว่ามันเป็นปีใหม่แต่ตามไม่จริงก็ทินฟ้าอากาศเราก็ไม่เห็นพิษแปลกแตกต่างอะไรพระทิตยพระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาอย่างที่พวกเราเห็น ร้อนหนาวกับตามปกติอย่างทุกวั น, นก่อที่ผ่านมาอันนี้ก็คือแต่ถ้าว่าเราไม่สมมติขึ้นมาใช้วันไหนองวันเก่ามันก็เราก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขตัวของเราหรือว่าบริษัททางร้านของเราด้วยกันทำมาหาเลี้ยงชีพของเราเพราะนั้นเขาจึงให้มีกำหนดวัน ปีใหม่ขึ้นมาแ่ตามไม่จริงพอถึงปีใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปเราก็มีการทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพบริษัททางร้านเรื่ อ, อ ก, าการทำมาค้าขายต่างๆแต่สุดแท้แต่ใครจะทำอะไระเป็นการเกษตรลูกหวิน ทำอะไรก็ตามจะสรุปแล้วคือเพื่อหาเงินหาเงินเพื่อบริษัททางร้านหรือว่าบ้านตัวเองหรือว่ากิจการงานของตนเองที่เราได้ทำลงไปขาดทุนกำไรเท่าไหร่พอถึงงบกลางปีเราก็งบครั้งนึง่พอปลายปีเราก็งบอีกที่เนึง พอ ป, ปลายปีเนี่ยครับเริ่มวันที่ห เ, เราก็งบดูว่าเราขาดทุนมากน้อยแค่ไหนปีนี้ได้กาไรเท่าไรตัวที่ทํากําไรเนี่ยตัวไหนสินค้าของเราตัวที่ทําให้ขาดทุนเนี่ยตัวไหนเราก็จะได้ดูทบงบงบดุลในการทํามาค้าขายหลวงพ่อก็เลยบอกว่าตามที่จริงชีวิตของพวกเราแต่ละปี พวกเราก็น่าจะทบทวนดูอีกเหมือนกันนะคณศจัทธาญาิโยมนะปีนี้ปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราห้าแที่เริ่มเราดำเนินชีวิตของเราตัวของเราเนี่ยเราคิดไปในทางไหนการการความคิดของเรา มันคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรแล้วมันคิดโมโหโกธามแล้วมันมันคิดไปทางไหนกิจใจไปทางไหนไปทางต่ําหรือไปทางกุศลตั้งแต่ปี2001วันที่1มานะ่ยคิดมีแต่เรื่องการกุศลมีแต่เรื่องทําบุญทําทานเราทําบุญทําทานมาตลอดแล้วก็คิดดูแลพ่อแม่ช่วยชงช่ว ย, วยสงเคราะห์สงสงคมายสังคมสงเคราะห์ เรียกว่าญาติสงฆ์เคราะญาติหรือสงคฆอใครต่อใครเราคิดดีมาตลอดปีปีห้าสบแดหรือเราคิดเร็วเพียแต่คิดโมโหโกธายอย่างที่ว่าเราก็น่าจะทบทวนดูแล้วก็มาทบทวนเรื่องการกระทํปีห้าสบแปดเนี่ยเราทำกรรมสิ่งไหนได้บ้าง เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราฆ่าอะไรบ้างที่มันกระเทือนใจของเราที่เราได้ทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็เราได้ทมสิ่งไหนบ้างที่มันผิดศีลผิดธรรมในการกระทำของเร า, เ, าเราได้พูดอะไรไปบ้างาทำให้พ่อแม่พี่น้องกระเทือนอกจะเทือนใจทำให้เสียหาย องศาขณาญาติไม่สบายใจแตกแย ก, กสามัคคีในกลุ่มในหมู่ในคณะในเพื่อนในฝูงของเราเราได้พูดอะไรไปบ้างนี่แหละเรียกว่าพูดอะไรเราพูดอะไรที่ไปเป็นการสร้างสารรค์ทําให้หมู่พวกเพื่อนมีความสุข ก, กายสุขใจในการพูดกล่าวของเราและการกระทํำของเรา สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนอีกเหมือนกันกลาง ป, ป, าปีปลายปิดปลายปีส่วนนัคนถูกงบจากนั้นเมื่อเรางบแล้วเราได้อะไรเราเมื่อเรางบแล้วก็ปีต่อไปปีห้าสิบเก้าอย่างวันนี้เมื่อเรางบปีห้าบแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วปีห้าิบเกเราก็จะได้เป็นบทเรียนของเราเปีห้าสิบแปด จุดนั้นเป็นจุดที่เราได้เราก็ควรจะส่งเสริมแต่จุดนั้นเราทําเสียหายไม่ควรจะทําอีกต่อไปปี59าควรจะลดควรจะไม่ไม่ควรจะทาในจุดนั้นนี่แหละถ้าเราได้ทบทวนดูแล้วเราจะมองเห็นเป็นบทเรียนของเราในการดำเนินชีวิต ต่อไปเราก็พยายามกัดจัดขัดจัดสิ่งที่มันไม่ดีการคิดไม่ดีเราก็ขัดจัดออกไปกาจัดออกไปสิ่งที่การทำก็เหมือนกันที่ทำไม่ดีเรากาจัดออกไปถ้ามันเขาทำดีเรวก็ส่งเสริมจุดนั้นให้มากขึ้นการพูดก็เหมือนกันถ้าพูดมันทำให้เสียหายจะไม่พูดอีกต่อไปเมื่อเราพูดดีเราก็พยายามาพูด ส่งเสริมให้มันดีขึ้นหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นนี่แหละหลวงพ่อว่าถ้าว่าพวกเรามององบปิดงบเปิดคงบตัวเองเอพวกเราจะมองเห็นการกระทําการคิดการกระทําการพูดของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราวันต่อ ว, วันไม่ได้คิดแต่ละวี่แต่ละวัน เ, เฉยเมยไปเรืเอ่อยไม่ได้ให ความสําคัญในการเป็นอยู่ของตัวเองถึงจะอยู่นานเท่าไหร่มันก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ทางนั้นนะนรัตไทญาโฉมลูกหลานฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่หลวพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นแต่เมื่อเราคิดแล้วมันเสียหายเลยทําไมเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนของเราเราจะไม่ทําอีกถ้าว่าคิดดีนะอินบุรีอันนั้นเราจะวรจะส่งเสริมคนจะทําให้มากขึ้น ชีวิตของเราก็จะมีความร่มเย็นผาสุกไปเรื่อยๆเพราะอะไเพราะเาะท้าเราเราทําความดีและให้พวกเราทํากรรมดีทําความดีใส่ตัวให้มากๆตาบอกพวกเราทําสิ่งที่มันไม่ดีนะกรรมไม่ดีเนะ่ยจะพาให้พวกเราตกต่าไปในทางที่เลวไปในทางที่ไม่ดีแต่พวกเราทํากรรมดีสิ่งที่มันดีกรรมดีจะให้ผลไปในทางที่ดี มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนึกคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ภาคภูมิใจในการเป็นอยู่ของพวกเราแต่พวกเราทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันเศร้าหมองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นเหตุผลทางแห่งการเศร้าหมองทางด้าน จ, จิตใจเราก็ยังไม่คิดจะไม่ทําจะไม่พูดมันในเรื่องนั้นอั น, นี้เราก็ควรจะเบรกตัวเองและก็พร้อมกันนี่ก็ยังไม่สายเกินไปนะคณะาญาติโยม เพียงก้าวันนะเรียนเราก็ตั้งควรจะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอย่างที่ว่านเนี่ยทบทวนดูไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนว่าการคิดการทําการพูดของเราเนะ่ยเสียหายมากน้อยอย่างไรแค่ไหนปีห้แต่ปีห้้าเนะีข้าพเจ้าจะต้องตั้งต้นใหม่ตั้งแต่บัดนี้แหะเป็นต้นไปนี่แหละเรายังปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ก็พร้อมกัน พวกเราก็เขีนยนจากติโกโอติกาพ่อแม่พี่น้องของพวกเราจาก้องกับคนท่านกระจากไปทุนก็จากไปแต่พวกเราก็มีส่วนนึ่งควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเ ข, ข้าสู่ใจของพวกเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะพวกเราเกิดมาในพบพระพุทธศาสนา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 เพราะว่าการอยู่ด้วยความประมาทไม่เป็นผลดีนะขนา้าหน้าสัตาธิโยมลูกหลานเพราะว่าให้เราศึกษาแต่ว่าการศึกษาคํานี้นะถ้าเราไม่ศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจมันก็เลื่อนเลือนลางเลือนลางเหมือนกันนะมันอาจจะเชื่อบ่างไม่เชื่อว่างเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ทําอย่างจริงจังและจริงใจ หลักทําคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติถึงจะเรียนได้ศึกษาขนาดไหนก็เถอะศึกษามาขนาดไหนก็เถอะอแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับเราได้แผนที่ไวนะ้ปถึงจะดูแผนที่ละเอียดทีท่วนขนาดไหนก็เถอะมันก็เห็นอยู่ในกระดาษเท่านี้มันไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรเพราะว่า เราไม่ได้ปฏิบัติตามแผนที่เราดูแต่แผนที่นั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูแต่แผนที่เป็นผู้รู้แผนที่อย่างที่ถ่วนละเอียดแต่เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราดูแผนที่วิธีการาการทํานาเราก็รู้ว่าการทํานาทํำยังไง เริ่มต้นที่ตรงไหนอย่างไรเรื่องการจะทํามาค้าขายเราจะทํำยังไงในเมื่อเรารู้วิธีการศึกษาเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อลงมือปฏิบัติด้วยนะผลแห่งการปฏิบัติก็จะตามพวกเราพวกเราจะรู้เห็นไปได้เรื่อยๆเพราะผลแห่งการปฏิบัติเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจาึงว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ แจ้งเห็นจริงได้ถ้าไม่ปฏิบัติถ้ารู้แต่แผนที่แล้วก็ไปไม่ถึงไหนและอยู่เฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นให้พวกเราลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติอย่างไรอย่างพวกเรามาอย่างวันนี้นะอันดับและอันดับแรกพวกเรากได้ยินมาเพื่อไหว้พระหลวงพ่อเป็นผู้พานำไหว้พระจากนั้นเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็แนะนาบอกกล่าว มเรื่องราวทั้งหลายให้ลูกหลานได้ได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดรู้บมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเรื่องการฟังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างที่ลุงพ่อยกแล้วยกอีกว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้แต่ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังนะั่นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อลูกหลานเข้ามาศรัทธาญาติโยเข้ามาโลกตาที่อยู่ภายในเป็นพระสงฆ์ เอ่่ที่อุทิศตนไว้ในพระพุทธศาสนามาเป็นระยะยาวนานหลวงพ่ออุทิศตนต่อพุทธศาสนาพวกลูกหลานเข้ามาหลวงพ่อเขาแนะนําบอกกล่าวหาหลักเหตุผลให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาบาปเป็นอย่างนี้นะลูกหลานนำะบุญไปอย่างนี้นะคุณไปอย่างนี้นะโทษเป็นอย่างนี้นะนนนะนนนะหลับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตนอย่างนี้นะลูกหลานทั้งหลาย นานๆทีจะได้เขามาศึกษาเพราะภาระธุระของลูกหลานทามาหาเลี้ยงชีพก็เต็มคืนอยู่แล้วแต่พวกเราถือว่าเออพวกเราทมามหาเลี้ยงชีพไม่มีเวลาแต่พูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะเหตุไรเพราะว่าการทามหาเลี้ยงชีพถึงจะมันขยันขนาดไหนก็เถอะหาเงินทักทรัพย์สมร เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็เถอะเพื่อมาเลี้ยงร่างกายของ cafes. พวกเราเท่าน um uh, <un infrared fluid> ั้นเองพอมาเลี้ยงร่างกายเพื่อเลี้ยงร่างกายก่อนสุดร่างกายในถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันก็ถึงจุดจบของมันแปดสิบเก้าสิบปีแล้วก็หมดสภาพแล้วเงินค้ำเงินคําทรัพย์สมบัติที่พวกหามาแทบพ้นแทบตายอเพื่อมามาเลี้ยงชีพของเรา จากนั้นก็ให้เก็บไว้เพื่อให้ลูกให้หลานอีกลูกหลานก็เลี้ยงไปอีกต่อไปอีกุดหมดอีกเพราะหมดหมดชีวิตนะเพราะมันแปดสิบเก้ปีก็หมดสภาพแล้วน่นแหละคือเลี้ยงร่างกายมันเลี้ยงจบเพียงเท่านั้นถึงจะสาะแสวงหาทรัพย์มามากโตมากขนาดไหนมาเลี้ยงร่างกายมันก็ถึงจุดจบมันเพียงเท่านั้น แต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่นะเลี้ยงร่างกายนะคืออาหารส่วนเลี้ยงร่างกายในส่วนนึงปัจจัยสีในส่วนนึงที่มาเลี้ยงร่างกายแต่คุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอนที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านออกบด เสียสระออกจากเพียงหวังไปอยู่ในป่าทั้งหปีไปค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตเรื่องใจพอท่านไปค้นคว้าศึกษาแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วน่ยท่านจะได้นําพระธรรมคําสอนออกมาว่าพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยถึงจะเป็นอริยสงฆ์สมุทติสงฆ์ ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาบอกกล่าวต่อๆกันมาให้พวกเราทั้งท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาควรมปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่พวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมการทํามาหาเลี้ยงชียบก็ไม่ว่ากันนะเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะแก่เจ็บตายก็ไม่ไวายเว้นจากพวกเราอาหารการบรรพกดีขนาดไหนก็เถอะ ผ้านุ่งหอมดีขนาดไหนก็เถอะยาแก้โกครคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนก็เถอะบ้านรู้หราโออาขนาดไหนก็เถอะอยู่ไปอยู่ไปก็เนะถึงจุดจบของชีวิตจุดร่างกายของเรามันจบเพลินั้นแต่ว่ามันไม่จบแต่เพียงแค่นั้นพระพระเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วทัานว่ดนามธรรมาคือจิตใจนะตัวผู้รู้รอยู่เนะี่ยตัวนั้นละ่ะมันไม่ตายมันไม่หมด มันไม่แตกสลายเหมือนร่างกายพอออกจากร่างนี้จะไปเกิดไ ป, ไปพบใหม่ชาติใหม่อีกต่อไปนั่นควรจะค้นคว้าศึกษาในเรื่องนามธรรมาเพราะหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมามากกว่าเรื่องร่างกายเออเรื่องใจเรื่องใจกำลังเรื่องนามธรรมาำสำคัญกว่า กว่ากายภูรจูปพระพุทธเจ้าท่านตรท่านยกเป็นพุทธภาสิตแบบมัณโนปุพังเข้ามาทำมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นใจดวงนี้จะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับการดูแลจะต้องเอาศีลเอาคุณธรรมศีลธรรมเข้ามาปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรที่พระพุทธเจ้าไปค้นขวาศึกษา พระพุทธองค์บอกว่าใจของเราเนี่ยมันกระชุยกระจายมันคิดปูงฟุ้งอยู่ตลอดเวลามันหาที่ที่สงบยับยั้งไม่ได้มีทางเดียวต้องทําสมาธินี่แหละเทนีพระพุทธองค์บอกว่าต้องทําสมาธินะจึงจะรู้ได้ว่าใจเป็นยังไงเนี่ยกว่าเราได้ไปโพนาอยู่ที่โถนต้นโพวันเดือนหกเพนนะเรานั่งัสมาธิานี่พระพุทธเจ้าใช่ไหม เรานั่งขัดสมาธิในโคนต้นโพในวันนั้นออยังแสงสว่างพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินดียังมีแสงสว่างอยูอ่ท่านปูอาชนะเสร็จเรียบร้อดวก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายคืยนั่งขัดสมาธิขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายาจากนั้นก็ทำกายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้า รู้าหายใจเขาาจออ้าหายใจออกรู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนะี่อันนี้แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปไปค้นคว้าศึกษานะ่ะนะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานให้ฟังฟังตามแนวแถวของพุทธะที่ท่านได้ตัดสรู้ที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาในวันเดือนหกเพนวันนั้นจากนั้นท่านไม่ให้ใจคิดไปทางอื่นให้จดจ่ออยู่กับ ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันเพลิไปเอาดึงกับพื้นมาแต่ในวันนั้นก็ฟังฟังดูแล้วก็ไม่ใช่น้อยเหมันะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะนางตันหาน า, าราคาอราดีเขามาบรบกวนลาวีพระพุทธเจ้ามาลาวีศีรษะธรรมคือกิเลสนางตันหาราคาอราดีก็คือเรื่องกิเลสพระพุทธองค์คงจะคิดถึงเวียงวังในขณะที่นั่งคัดสมาธินะนะกิเลส การ ม, มาลาคามันก็เลยเข้ามาลาฟีพวกพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านตั้ง จ, จิติษฐานใ้แนวไนข้าไปเจ้าจะไม่คิดถึงเรื่องอื่น เ, เราจะไม่สง่งจิตไปทางหาทางอื่นเราจะให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นจากนั้นน้ำพระทยัยใจของพระองค์เหมือนกับนางแม่ธรณีบิดมวยผมผลในสุดเรื่อง กี่เดชต่ำซ้ำเหล่านั้นก็กระจุยกระจายหายไปเพราะบุญบารมีคือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ก็ตั้งจิตให้แน่วแน่ไม่ปรุงฟุงไปทางอื่นจิตเดียวเดียวจุด อ, อันเดียวเท่านั้นจากนั้นเมื่อพระองค์ไม่รับรู้รับทราบในเรื่องภายนอกเองพระทัยของพระองค์อยู่จิตเน่งอยู่ที่จุดเดียวคือที่ลมหายใจเข้า หายใจออกอไม่ได้ส่งจิตใจไปทางจากนั้นพระไทยเรกว่าความรู้สึกนึกคิดของพระองค์รวมะตะ่อนมันเทรทลไร้ถลอกแผลไปเรื่อยไม่ลวกไปที่ไหนต่อไปที่ไหนฮะแต่บันนี้รวมพระไทยของพระองค์รวมเน่งเป็นหนึ่งอพอรวมเน่งเป็นหนึ่งเท่านั้นเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นความรู้พิเศษ เรียกว่าปุเพนี่วาสานุสติยานพระองค์ระลึกชาติผลหลังไดนะ้อันนี้คือเป็นผลงานของที่พระองค์ทําจิตใจให้สงบถ้าจิตใจไม่สงบไม่มีหวังที่จะเกิดฌานฌานจะเกิดไม่ได้ถ้าจิตไม่สงบนะอันนี้จิตพระไทยใจของพระองค์สงบรวมลงเป็นหนึ่งจะเกิดญานรัตนาเกิดฌานขึ้นมาระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการนั่งสมาธิ <c oughs> เป็นการฝึก ในการฝึกในการทำสมาธิเป็นเบื้องต้นเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทย า, าิโยมลูกหลานนะทน่ในเมื่อเรารู้แล้วแนวทางของพุทธะในท่านสอนอย่างไรให้ฝึกสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายามีภาระทุระ อ, อยู่ในบ้านเรือนอก่อนหลับก่อนนอนถ้าอยู่ด้วยกันสามีภรรยาก็ควรจะเข้าไปไหว้พระ เ, เข้าไปเป็นคู่กันเลยก็ได้ทั้งสามีภรรยา เ ข, เข้าไปกัไปกลาบพาแต่ยังไปจุดไม่ต้องจุดเทียนหรอกนะไม่จ้องจุดโถมันควันมันอบควันอบทบทวนอยู่ในห้องไม่ดีทำให้ <c oughs> แพ้แพ้ควันทูบเทียนอีกตาหากถ้าจุดกระจุดไฟฟ้าออพอเปิดขึ้นมาพอเป็นแสงสว่างพอได้เห็นจากนั้นเราก็นั่งทาวัดเป็นคู่กันคนหรือจะเอาลูกหลานผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ในวามในภาคปฏิบัติ ่เราจะเข้าไปพร้อมกันก็ได้ไปกราบในห้องพระเอ่อจากนั้นกราบแล้วก็อลาหัง่งสัมมาสัมพุทธโธพระควาพปดเสียงเบาๆไม่ต้องพวดเสียงหนักไม่ต้องปวดเสียงดังจะว่าคาโตสุปฏิปโนโนเดกว่านามโมตัสสะพระควาโตข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหรันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมนะสามจบนะจากนั้นก็พุทธัง ธรรมาังสังขังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกัตุติยามปีข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งและกัตตาติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง เออจากนั้นก็อาหารทุกิโตโหมิเราจะสวดได้นะอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้นะถ้าสวดไม่ได้เนะพราะสวดไม่ได้เราก็สอนกันเออถ้าสวดไม่ได้ให้เรานึกในใจในใจเนอะนึกว่าให้พวกเรนึกว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจดวงอื่นๆ อยู่ในโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกทุกดวงใจทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเธอนะในจิตใจอันนี้คือแผ่เมตตาแบบรวบลัดและกว้างขวางคืออยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วนหน้ากันนี่คือเราแผ่เมตตาอย่างนี้ อยู่ในจิตในใจท่านบอกว่าคนที่มีบเมตตาไปอยู่ทสถานที่ใดจะไม่มีเวรมีภัยใครจะมาจองร่างจองผานจะไมใครจะมาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรจะไม่ถึงเราทั้งนั้นปล่อยเราเพราะเราไม่ได้ผูกเวรผูกภัยกับใครๆทั้งหมดมีแต่ให้อภัยมีแต่มีเมตตาในจิตใจ เ, เมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาหมุมสงบประทศนี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิ อันหน่าหันหน้าไปทางพระประธานนะตัวเอเราจะนั่งพับเพียบก็ได้ก็จะนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ตามไม่จริงต้องนั่งขัดสมาธิร่างกายของเราจะได้ตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาถ้าเรานั่งพับเพียร์มันจะเอียงข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะให้นั่งขัดสมาธิขาขา ข, ขวาทับขาซ้ายในเมื่อนั่งขัดสมาธิ เาบมอของใครของเราถ้ า, ถาไม่จำเป็นจะไปพิงนะจะไปพิงฝาถ้าพิงฝาแล้วมันจะชอบหลับนะมันมันพิงถ้าว่าเป็นไปได้นะถ้าเรายังสุขภาพยังแข็งแรงดีโยยังเป็นน้อยเป็นนมยโยเราไม่ควรจะพิงฝานะอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำบอกกล่าวนะให้นัง่งนั่งตรงๆงกางเกี่ยวกางที่เลยเจากนั้นเราพอนั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ปนมมือเลยปน ม, มือขึ้นแล้ววางอกไหว้ทูซะก่อนคือการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่ของครูบาอาจารย์มาแนะนําเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระสงค์ได้ น, นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะนั้นเราก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องไหว้ทูซะก่อน คือไหว้พระพุทธทเจ้าซะก่อนปนมคือคือระหว่างพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามจบอพอสามจบเราจะแผ่เมตตาอีกสักรอบก็ยังได้ฆ่าเปเจ้าจงเป็นผู้อื่นจงเป็นถูกแค่ๆว่าใจของเราไม่ให้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรโกรธโมโหโกรธทายใครๆวันเนี้ โกรธมาจากตาดาตาแดงโกรธให้พ่อให้แม่ให้สามีภรรยาลูกหลานใครๆก็ตามด้วยความโกรธข้าพเจ้าละหมดทั้งหมดในขณะที่นั่งสมาธิข้าพเจ้าให้อภัยทุกคนข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครทั้งหมดข้าพเจ้าจะทําใจให้เป็นกลางที่สุดในขณะที่นั่งสมาธิในเดี๋ยวนี้จากนั้นก็ข้าพเจ้าจงเป็นจุกผู้อื่นจงเป็นจุกหน้าทุกวิจารณ์จงเป็นจุอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพรเจ้าปรารถน า, าจากนั้นก็อมมือลงพอเนมือลงเสร็จแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าแล้วตันี้เมื่อทําเหมือนพระพุธทธเจ้าหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราทีนีเ้เป็นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ให้ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านสอนลูกศิษย์ของท่านจะเป็นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่เทศต้องตามหาหลวงปู่ลาหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มันท่านบอกว่าให้ภาวนาถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆเนี่ยมันหลุดได้ง่ายนะมันเผลอได้ง่ายมันหลงส้นได้ง่าย ถ้าสดสามทับกับพุทโธเขาด้วยนะ่าจะดีกว่านะทดลองดูนะ้าอันนี้ท่านก็สอนจึงมีกรรมฐานสายลูกปูมั่นคือภาวนาพุทโธนะเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนี่แหละจะงหวลูกศิษย์สายลูกปูมั่นท่านให้ภาวนาพุทโธเนี่ยนะความเป็นมานะท่านก็ว่าทาว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่าย แต่ท่านก็เลยให้ภ า, านวนาพุโทโธกําสสำทับหายใจเข้าพุทหายใจออกโตพโตพุโทพธโธถ้ามันเผลอไปเอาเดิกลับขึ้นไหมก็มาหาพุโทโธยิปถามันยังออกไปอยู่ให้พุโทโธให้ถีเช่จันวาณ์นอครูบาอาจารย์ท่านว่าให้พุโทโธให้ถี่ยิบเลยสำทับก็ตรงที่ตัวผู้รูรรรร้อะไรตรงนั้นนะเอไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเลย เออเอาสำทัพก่ตรงนั้นให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธเออไม่ให้มันเผลอไปทางอื่น <sm ell ana> ให้พุทโธอยู่ในขณะนั้นอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดนี่แหละอถ้าพวกเราท่านทั้งหลายทําได้อย่างเนี้ต่อไปจิตจะรวมนะจือจิตจะไม่คิดไปทางอื่นนเอ่ดวงใจของเรานความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ย มันจะไม่ไปทางอื่นมันจะไม่เผลอเลยเออมันจะนิง่งอยู่ในที่ปลายจมกูกเพราะฉะนั้นมันจะจะรวมสงบปุป๊บ อ, อพอจิตรวมสงบเออลงไปนะั่นแหละมันมีอยู่สามระดับนะลูกหลานะจิตสงบนะ อ, อ่พอจิตสงบพอมันลงไปครั้งแรกมันจะมันมีความรู้สึกเย็นในจิตใจอัน้นพระว่ตคันนิาานกามันชั่วประเดียวประดาว แต่ชั่วประเดียเด๋ยวประดาประมันจะไม่ลืมเลยเออมันมีความรู้สึกเย็นในจิตในใจพิษปกติเมื่อเราจิตภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบคล้ายๆว่าออกิเลสราคะโทสะโมหะมันเว้นช่องให้มันกระจายไปคล้ายๆว่ามันขยับทวนออกไปทำของเราเข้าไปนั่งเก้าอี้ช่วงช่วงขณะหนึ่งออพอช่วขณะดาษมัก็มีความสุขออมีความสุข เย็นใจเอ่อแต่เนี้ยพอมันถอนขึ้นมาเอ้อเมื่อกี้เนี้ยทำไมใจของเรามีความสุขเย็นผิดปกติมีความสุขจริงๆเรายังไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยจิตจิตใจอย่างนี้เนะี้ยนี่แหละอันนี้แหละคือว่าคณิกะคณิกะประจิตสงบประเดียวประดาชั่วคร้างชั่วคาวประเดียวเดียวหนึ่งชั่วอึดใจหนึ่งแต่เราประจําไม่ลืมนะ อันนี้คือสมาธิคณนิกะสมาธินะต่อไปเราก็พยายามนั่งเขาดูอีกแะไม่ให้มันเผลอไปทางอื่นบังคับไม่ให้มันเผลอทางอื่นต่อไปสติของเราควบคุมควบคุมตัวผู้รู้คือใจเถอเราดูใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันตลอดอไม่เผลอไปทางไหนควบคุมคือเรา ทำการทํางานเราก็ทํามาพอแรงแล้วจะไม่คิดอะไรทั้งวีทั้งวัดมันยุได้แล้วในช่วงนี้เราจะภาวนา เ, เราจะไม่ให้มันเผลอไปที่อื่น เ, เราบักคับใจของเราจากนั้นใจของเราก็จะเนิ่งอยู่กับสมาธิควบคุมนึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้ให้เข้าอ่ะสติของเราคุมควบคุมจิตจิตใจของเราอยู่ จิตใจไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งไม่ข้าไม่ซ่านเพราะอะไรเพราะจิตใของเราบังคับจิตใจของเราอยู่อันนี้ไปว่าจิตใจอยูนะ่ยังไม่สงบนะจิตใจมันอยู่แต่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันเรียกว่าอุปจารอุปจาระสมาธินะจิตใจมัน ย, ยังไปได้อยู่ยังเป็นจาระอุปจาระใช่ครับว่าไปนูน้นไปนี้อยู่แต่มันไม่ทะเลถลายฮะให้ทํา ง, ทงานมันก็ทํางานให้มันอยู่ที่ไหนไมันก็อยู่แต่ก็รู้อยู่ แต่ก็ยังยังรู้สึกนึกนึกคิดได้อยู่เป็นตัวของตัวอยู่จังคิดโปรงอยู่แต่มันไม่ออกนอกรูนอกทางอันนี้เราจิตที่เป็นอุปจาระถ้าเราดูเข้าไปอีกกําหนดดูอีกเอาสติตสตระควบคุมดูจิตใจของเร า, เาไม่ให้มันปล่งไปทางไหนมันเผอไปทางไหนมันไปถ้าเราจิตใจคุมอยู่จิตใจจ ะ, จะรวมลงไปอีกเป็นอีกมิตรใดดึง รวมสงบลงไปขาวนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตที่สงบมันแยกออกจากกายนะสอพอมันจิตสงบประเภทนี้มันแยกออกจากกายเลยมันไม่รู้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนมันออกจากนอกกายเลยไม่รับไม่รับรู้ทางกายเยไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หูเลยกันจ้ะ ่มันไม่ใช้หูมันไม่ใช้ตามันไม่ใช่ร่างกายแล่ร่างกายมันก็ไม่ใช้่นะจิตประเภทนี่มันแยกตัวออกไปเป็นพิเศษออกไปเลย่มันไม่ใช้ตาใช้หูใช้ความรู้สึกอะไรทั้งหมดมันไม่มีแต่ว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่รับรู้ทางกายเลยเสียงฟ้าร้องเสียงคนตะโกนด่ายังไงไม่ได้ยินเป็นเงียบอ แต่ไม่ใช่เงียบแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่นะสติกับกจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนวอยู่ดูในดวงนั้นนะเออบางคนก็ได้นานนะสงบอย่างนี้บางคนก็ได้นานบางคนก็ไม่ได้นานเออบางคนกับปฏิโยประดาบางคนก็อยู่นิ่งเออแต่ว่าอยู่ได้นานจากนั้นก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเท่านั้นนะรู้ได้เลยโอ้เมื่อกีก้จิตสงบโอ้โห ทำไมมีความสุขจริงวะจิตสงบมีความสุขสุขจริงอย่างที่พรอพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดจริงๆคำว่านัทธิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอข้าพเจ้าได้รับรู้รับสัมผัสจริงนี่แหละเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะจิตที่เป็นประเภทเดี๋ยวจิตสงบจิตแน่งนะนี่แหละอันนี้ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิหลวงพ่อบอกได้เลยว่า จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจุดนี้ละ่ะตรงนี้ละ่ะเราจะรู้ได้โดยตนเองเออไม่ต้องถามใครว่าจิตเนีจิตสงบไหมครับถ้าเราถามก็ถามเพีย ง, ยงอย่างเช่งเฉยๆท่านอาจารย์ครับผมภาวนาปิดจิตไปจิตสงบมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาน่ยมันเน่งจิกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้จิตสงบไม่ครับอันนี้เพียงแต่ถามถามอย่างเชิงเฉยๆแต่ในใจของเรา มันเชื่อมั่นในตัวเองร้อยเปเซ็นไม่ได้สงสัยเลยเนีย่คือจิตสงบมันมันมันรู้ได้นะณะกนักธาญมญาจุลนะแต่รู้ได้กระทั่งว่าเออที่พระพุทธเจ้าก็ดีพ่อแม่คูณบาอาจารย์ที่ธรร่ะตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญข้าพเจ้ามั่นใจเกินร้อยเลยร่างกายนี่ยแตกตายสลายเพราะมันเป็นธาตุสีมันเป็นดินกระดูก็คือธาตุดิน ธาตุน้าก็คือเลือดปัจจวะน้ําตาเป็นธาตุน้ําอยู่ในร่างกายพวกเราธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมลมในลําไส้ลมในท้องธาตุลมธาตุไฟคือทาให้ร่างกายอบอุ่นร่างกายของเรามันอยู่ด้วยธาตุสีดินน้ําลมไฟเท่านั้นปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปลธาตุคือธาตุน้ําเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลม ร่างกายของเรามีธาตุสีแต่ต่อไปภายภาคหน้าพอใช้ไปนานๆธ า, าตุสี่มันจะแตกได้ไอเดี๋ยวก็ลมหมดจากจมูกลมไม่เข้าลมไม่ออกอาจากนั้นก่อไฟหมดร่างกายเย็นเสียบาจากนั้นก็พอมันแตกเน่าลงไปน้ำหมดยังเหลือแต่ดิน เนี่ยเหลือแตกระดูกเสยังอยู่ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือธาตุสีดินน้ําลงไฟเห็นได้ชัด อ, อแต่จิตใจตัวผู้รู้น้ํามะธรรมจุดนั้นนะ่ะมันเห็นได้ถึงตัวเองเลยเนี่ยร่างกายเนี่ยแตกตายสลายลงอู่ดินน้ําลงไฟไปตามสภาพพวกมันแต่ตัวน้ํามะธรรมคือจิตใจตรงนี้นะ่ะจะต้องไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆไปหาเกิดอีกได้ถ้าถ้าใจตรงนี้มีบุญ ใจตรงนี้ก็จะไปเกิดเลือกเกิดฐานที่เกิดได้ดีแต่ว่าใจตรงนี้มีบาปบาปอภิุสลเข้ามาสู่จิตใจคือว่าใจไม่มีไม่มีไม่มีเงินใจใจมีจตงแต่ทําสิ่งที่มันชั่วเสียหายใจตรงนี้ก็พาบาปอภิุศนก็พาไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าหัวควายเป็น อ, อ, อะไรไทยทั้งหมดในจั ก, กรวาลสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็น เราพร้อมที่จะไปเกิดในทุกอย่างแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเราได้ปาฏิหารเป็นพระพุทธเจ้าได้รับพยากรจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่เกิดเป็นปลิงเราจะไม่เกิดเป็นตัวตัวบุ่เ อ, อย่างน้อยเราก็ยังมีเป็นสัตว์ที่มีกระดูกทันวันน่ะอันนี้เคยคือพระพุทธเจ้าที่รับพยากรแล้วแต่นอกจากนั้นแล้วท่านไม่ได้วาด พวกเราท่านทั้งหลายพร้อมที่จะเกิดได้ทุกอย่างเป็นตัวหมัดตัวเลนไปได้ทั้งนั้นเพราะวิญญาณพองเราเนี่ยมันไปตึกไปติ้ชนทิศมันก็ไปอเอาะไปยึดร่างกายตัวนั้นเข้ามามันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญกุศล ส, สรุปแล้ว เ, เมื่อเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราศึกษานะให้ศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกนักกนัธถายาตโยมลูกหลานได้ฟังพวกเราได้ศึกษาดูแลนั่นนะ่ะเราจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยใช่นั้ยมันเชื่อมันเชื่อมั่นในตนเองเลยนี้ยนะแต่พวกเราไม่ได้ศึกษานะมนวเมียไปพูดเราเลยนะไม่ได้นะลูกหลานนะ เ, เ, เ, เหมือนกัะตาบอดอวดดีนะ ตาบอดอวดดเออีเขาบอกว่าเดียตรงนั้นเป็นอย่งังไงไม่มีผลทีสโช ก, กันนั่นแหละออตาบอดจ ะ, ออจะต้องเจอของดีแน่ๆสักวันหนึ่งตาบอดอวดดีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นตาบอดอวดดีนะให้ฟังให้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว การกล่าวในวันนี้คืองของการแนะนําวิธีการทําสมาธิในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาแล้วก็ข อ, อยุยติอีกตอนนี้ไปนั่งสมาธินะลูกหลานนะนั่งคัดสมาธิอย่างที่หลวงพ่อที่พูดได้กล่าวนั่งคัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปัดนมมือขึ้นแล้ววางกวาไหว้ธูปเสกวดพุดโทโธธรมโมสังโฆซะกออ่อนจากนั้นเราก็กําหนดลมหายใจเข้าร พ, ay, ร, พริกรรมพุทหายใจออกพฤิกรรมโพธรามันเพลับ เผลอไปเด้งกลับคืนมามีพุทโธพุทโธพุทโธในจิตในใจนะแต่มันข้าว่ามันยังเผลอไปอีกแต่หลวงพ่อแนะนําอีกว่าถ้ามันเผลอให้นับให้นับตัวนะนับหนึ่งให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกสองสามสี่ห้าจนถึงร้อยไม่เผลอถ้ามันเผลอมันเผลอที่ตรงไหนนับไปถึง10บมันเผลอกลับมานับหนึ่งมาอีกตั้งค่ามาอีกตั้งค่ามาอีกนับหมาอีก เออยังไม่ถึงยี่สิบมันเผลอกลับมานับหนึ่งไหมอีกมันเผลอมันเผลออย่างไงวิธีการเผลอมันดูได้ง่ายนะถูกหลานนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหคือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเขานับสามหายออกนับสถ้ามันจะเผลอเนี่ยมันจะเบลอเลอซะก่อนเบลอเบอซะก่อนหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่เอ่อซะก่อนเลข หายใจเข้าเป็นเลขขี่งใช่ไหมหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขี่คู่ขี่คู่ขี่คู่แต่พอมันเผลอมันจะเบื่บอจังหวัดมันจะคู่ได้นไอหายใจเข้าสิบแปดหายใจออกสิบเก้านั่นแหะไม่ได้ะมันเผลอแล้วจังหวักลับขึ้นมาอีกร ด, ดลองเลยสิ ถ้าว่ามันเผลอบ่อยยังนับไปถึงสิบนะนับไปถึงสิบมันเผลอเอาเผลอเอานะอย่าไปใจดีนะลูกหลานนะนั่นะนะอีกไม่นานอันเสเมื่อมายามมาเยี่ยมเยือนเราง่ายๆเลยนะั่นดังนั้นให้พวกเราตั้งจิให้ฝึกขัดสติให้เข้มแข็งเอาไว้นะเอาต่อ น, นี้ไปนั่งขัดสมาธนะินั่นนะี้นะกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั่นนี่นะ ในเมื่อได้เวลาเลยลุงพ่อจะบอกเออเอาได้เวลาแนละ้นลูกหลานนะจะคอยออกนะแต่ลุงพ่อไม่พานงงา น, น, น, นั่งนานละกว่านี้เหตุว่าลูกหลานทําการทํางานมากโอ้โหจะเหน็ดเหนื่อยอะ่ะอันนี้เพียงแต่ทําให้เป็นตัวอย่างทําให้เป็นตัวอย่างให้พวกลูกหลานได้ศึกษาตนเองแต่ถ้าลูกหลานก็ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้เห็ น, น, น, หนกับตาตนเองเราจะไปนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่มั่นใจเลย แไม่มั่นใจในการวิธีการทาของพวกเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราลูกหลานให้มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติการนั่งสมาธินะลูกหลานนั่งสมาธนะินัตนีนะ